ตอนที่สาสามถูกจับตัวการสละชีพเพื่อแว่นแคว้นถือเป็นเกียรติยศสูงสุดของชาวตานตีอย่างพวกเราอีกอย่างทุกคนต่างคิดว่าพวกเราจะลงมือกับว่าที่พระชายาซื่อจือใครจะไปคาคิดว่าพวกเราจะเปลี่ยนเป้าหมายนางเป็นที่โปรดปรานของจนสิ้นอ๋องถึงทีงนี้ไม่แน่ว่าอาจจะสืบข่าวคราวบางอย่างจากนางได้ต่อให้สืบไม่ได้การมีนางอยู่ในมือเป็นตัวประกันก็ช่วยให้พวกเรามีโอกาสหนีออกจากเมืองหลวงได้ หัวหน้ากลุ่มพยักหน้าเห็นพ้องหลังจากคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็เรียกสมุนคนหนึ่งมาสิบสั่งความข้างหูสมุนคนนั้นพยักหน้ารับคำแล้วจากไปทันทีคนที่เหลือยังคงเฝ้าจับตาดูร้านค้าฝั่งตรงข้ามหัวหน้ากลุ่มสยยิ้มเย็นชาจับตาดูนางไว้ให้ดีหาจังหวะหมองเหมาะแล้วลงมือซะภายในร้านเยี่ยยวกับสาวใช้ทั้งสองคนไม่ล่วงรู้ถึงอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาเลยแม้แต่น้อยสาวใช้ทั้งสองเองก็อัดอั้นมานานพวกนางเลือกชุดมากมายมาให้เยี่ยยลอง เยี่ยยรู้ใจพวกนางจึงยอมลองเพียงชุดเดียวที่ค่อนข้างถูกใจส่วนชุดอื่นๆนางบอกให้พวกนางไปลองกันเองอย่างไรเสียเสื้อผ้าที่จะใส่เองก็ควรลองด้วยตัวเองถึงจะดีที่สุดเย่ยวนั่งรออยู่ด้านข้างเท่าแก่นี่รู้ดีว่าใครคือผู้จ่ายเงินตัวจริงจึงรีบยกน้ำชาชั้นเลิศและขนมมาประนิบัติอย่างดีแม่นางช่างตาถึงนักมิสู้เลือกเพิ่มอีกสักสองสามชุดดีหรือไม่เจ้าคะ ดูผิวพรรณอันผุดผ่องของแม่นางสีเจ้าคะหากไม่แต่งกายให้งดงามก็น่าเสียดายแย่อีกอย่างยอดหญิงอันดับหนึ่งแห่งเมืองหลวงจะแต่งกายเรียบง่ายเกินไปได้อย่างไรพูดไปพลางเท่ากันนี้ก็กว่าสายตามองนางตั้งแต่หัวจรรโตก้าพรางขมวดคิ้วมุ่นจนกระทั่งสายตาไปหยุดอยู่ที่เอวของนางคิ้วที่ขมวดอยู่จึงคลายออกแต่กระดิ่งลมนี้ช่างงดงามประณีตยิ่งนักทันทีที่ท่านก้าวเข้ามาในร้านเล็กๆของข้าข้าก็ได้ยินเสียงกระดิ่งนี้แล้วช่างใสกระจ่างไัยราะสนเอหูเหลือเกินเจ้าค่ะ เมื่อของขวัญที่ชู่ชือม้อให้ได้รับคําชมเย่ยเย้าก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมาอย่างประหลาดนางก้มลงมองกระดิ่งลมแวบหนึ่งก่อนจะลุกขึ้นกล่าวกับเท่าแก่นี้ว่าถ้าอย่างนั้นก็เลือกเพิ่มอีกสักสองสามชุดแล้วกันเท่าแก่นี้ยิ้มแก้มปรีรีบผานรับและนําทางเย้ยเยาไปแนะนําชุดต่างๆทันทีมีคุณหนูอีกหลายคนเดินเข้ามาในร้านแม้จะยังไม่ถูกใจเสื้อผ้าชุดไหนแต่ทุกคนกลับเข้ามาถามคําถามเดียวกันกับเย่ยเย้าขออภัยเถิดแม่นางมิทราบว่ากระดิ่งลมของท่านซื้อมาาาจจกที่ดหรือเ้คะ เย่ยาตอบกลับอย่างสุภาพเป็นของสั่งทําพิเศษตามท้องตลาดไม่มีจำหน่ายหรอกเจ้าคะ่ะเหล่าคุณหนูเหล่านั้นต่างเดินจับไปด้วยความผิดหวังจนกระทั่งถึงคนที่6ที่เข้ามาถามเย่เยาก็หยิบชุดเดินเข้าห้องลองเสื้อไปเมื่อนางสวมใส่ชุดใหม่เรียบร้อยแล้วเดินออกมาสาวใช้ทั้งสองก็เลือกชุดเสร็จพอดีจึงรีบเข้ามาช่วยเท่าแก่ น, นี้จัดระเบียบเสื้อผ้าให้นาง เท่าแก่นี้เอ๋ยชมไม่ขาดปากยกเย่ยเาเสียจนงดงามราวกับเทพพิดาบนสูงสวรรค์ที่หาไม่ได้อีกแล้วในโลกมนุษย์ทําเอาสาวใช้ทั้งสองถึงกับอึ้งในความฝีปากกล้าของนางเย่ยาเนืํานางจ่ายเงินเสร็จก็ครานจะเปลี่ยนชุดกลับจึงหยิบกระดิ่งลมจากชุดเก่าส่งให้เท่าแก่นี้ไปห่อรวมกันเจียนเจียยื่นมือมาคุณหนูให้บ่าวช่วยผูกให้เถิดเจ้าคะ่ะเยี่ยยเาสายหน้ากระดิ่งลมนี่สะดุดตาเกินไปวันหน้าหากออกจากจวนก็อย่าสวมมันอีกเลยหาถุงหอมมาใส่ไว้เถิด ทั้งสองเลือกถุงหอมดอกบัวสมรกรดมาใบหนึ่งใส่กระดิ่งลมและจี้หยกของเสี่ยชิงจือลงไปพร้อมกันแล้วผูกไว้ที่เอวของเยี่ยเยายามบ่ายคล้อยแสงแดดสว่างจ้าแต่ไม่ร้อนระอุ ก, กําลังสบายสาวใช้ทั้งสองยังคงเที่ยวเล่นไม่หนาใจคุณหนูเดินเที่ยวต่ออีกสักหน่อยเถอดเจ้าคะ่ะเวลา ย, ยังเหลืออีกตั้งเยอะนะเจ้าคะเยี่ยเยาสายหน้าสายลับและมือสังหารยังจับตัวไม่ได้แม้ทั่วทั้งเมืองหลวงจะมีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาแต่ก็ยังถือว่าอันตรายอยู่ดีรีบกลับกันเถิด ลินเซิร์ที่ไล่ตามไปในทิศทางตรงกันข้ามอยู่นานในที่สุดก็ตระหนักได้ว่าตนเองถูกจงป๋อหลอกเข้าให้แล้วเขาจึงรีบวกกลับมาโดยใช้วิชาตัวเบาอย่างเต็มกำลังแม้จะไม่มีเบาะแสใดๆและถนนหนทางในเมืองหลวงจะตัดสลับซับซ้อนไปมาแต่ด้วยสัญชาตญาณเขากลับหาทิศทางที่ถูกต้องจนเจอเยี่ยยเดินออกจากร้านขายเสื้อผ้าเขาก็มาถึงหัวถนนพอดีเมื่อเขาหันไปมองนางก็เพิ่งจะเลี้ยวโค้งไปพอดี ลินเซินหอบหายใจพลางมองดูฝูงชนขณะที่กำลังจะถอดใจเขาก็เหลือไปเห็นพ่อค้าหาเปรซสองสามคนที่ท่าทางลุกลี้ลุก ล, ลนเลี้ยวโค้งไปทางด้านหน้าเขาขึ้นชื่อเรื่องสายตาแหลมคมเพียงปรอดเดียวก็มองออกว่าคนเหล่านั้นปลอมตัวมาในวันที่ไปล่องเรือเขาไม่เห็นสายลับที่ปลอมตัวเป็นบัณฑิตแต่มือสังหารนั้นเขาจำได้ติดตารูปร่างของพ่อค้าหาเปรซเหล่านี้ช่างละไม้คล้ายคลึงยิ่งนักไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนแปลกหน้าที่เหลืออีกคนหนึ่งต้องเป็นหัวโจกสายลับที่หลบหนีไปได้ในตอนนั้นแน่นอน คราวก่อนเขาปกป้องเยี่ยเยาได้ไม่ดีผลินเซิรนจึงรู้สึกผิดฝังใจมาตลอดคราวนี้เขาจะปล่อยพวกมันไปได้อย่างไรเขาสืบเท้าก้าวตามไปทันทีถนนสายหลักของเมืองหลวงกว้างขวางและคึกคักสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านรวงและแผงลอยนับไม่ถ้วนเยี่ยเยาชะลอฝีเท้าลงเพื่อให้สาวใช้ทั้งสองได้ดูของอย่างละเอียดถือเป็นการชดเชยที่พวกนางยิงเที่ยวไม่จุดใจ ด้านหน้าเกิดความวุ่นวายขึ้นที่หน้าโรงเตียมแห่งหนึ่งรถขนปลาเป็นเป็นคันหนึ่งไม่รู้ว่าพลิกคว่ำได้อย่างไรปลามากมายร่วงหล่นเต็มพื้นและดิ้นไปมาน้ําถังใหญ่ไหลนองไปทั่วถนนกลิ่นขาวปลาโชยเข้าจมูกฝูงชนรอบข้างต่างพากันชุดลมุนวุ่นวายเจ้าของโรงเตียมวิ่งพรวดออกมาด่าทอเด็กรับใช้ที่ขับรถเสียงดังลัน่นนี่มันเรื่องอะไรกันปกติเจ้าก็เข้าทางประตูหลังไปที่ห้องครัวแต่วันนี้ทำไมถึงโผล่มาที่ประตูหน้าได้มวยืนบื้ออยู่ทําไมล่ะรีบจับปลาสิ เด็กรับใช้รีบขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่แล้วรีบช่วยคนอื่นๆจับปลาพวกปลาต่างพากันกระโดดโลดเต้นน้ำขาวปลาที่มีเกล็ดปลาปนอยู่กระเด็นไปทั่วสาวใช้ทั้งสงรีบดึงเย่ยวยอยหลังกรูดเกือบจะถูกน้ำกระเด็นใส่คุณหนูชุดนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะเจ้าก็อ้อมไปทางอื่นเถอดเจ้าค่ะเดินเข้าตรอกนี้ไปก็อ้อมพ้นแล้วเจ้าค่ะเยี่ยวยอรู้สึกรางๆว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพาปนแต่ท่ามกลางความวุ่นวายนั้นนางไม่ได้คิดอะไรมาก จึงพยักหน้าแล้วเดินเลี้ยวเข้าตรอกเล็กๆตามสาวใช้ทั้งสองไปทันทีที่พวกนางเข้าไปพ่อค้าหาเปเร่เหล่านั้นก็แยกย้ายกันเป็นสองทางสองคนเดินฝากความวุ่นวายไปส่วนที่เหลือรีบก้าตามเข้าไปในตรอกเดินไปได้ไม่ไกลเยี่ยยาวก็สัมผัสได้ถึงความผิดปกติอย่างรวดเร็วนางหยุดชะงักฝีเท้าทันทีคุณหนูเป็นอะไรไปเจ้าคะทำไมไม่เดินต่อละเจ้าคะหรือว่าทาของหาย สาวใช้ทั้งสองก้มลงมองหาไปทั่วแต่เยี่ยกลับมีสีหน้าเคร่งเครียดเรื่องที่เกิดขึ้นบนถนนเมื่อครู่มีเงื่อนงําเจ้าของโรงเตี๊ยมต้องการปลาเป็นกุ้งเป็นจํานวนมากปกติจะส่งของกันตอนเช้าเหตุใดจึงมาส่งตอนบ่ายต่อให้มาส่งของก็ควรเข้าทางห้องครัวเจ้าของโรงเตี๊ยมก็บอกเองว่าควรเข้าประตูหลังเด็กรับใช้ที่ส่งปลาให้โรงเตี๊ยมและร้านน้าชามากมายทุกวันย่อมต้องมีความชํานาญแล้วจะทํารถปลาคว่มได้อย่างไร เมื่อนำเรื่องทั้งหมดมาเชื่อมโยงกันเห็นได้ชัดว่ามีคนจงใจทําเพื่อบีบให้พวกนางต้องเปลี่ยนเส้นทางไม่ดีแล้วเยี่ยยอุทานเสียงต่ําทําเอาสาวใช้ทั้งสองใจหายวาบกลับไปทางเดิมเยี่ยยหันหลังกลับทันทีโดยไม่พูดพร่ําทําเพลงแต่เดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ต้องชะงักกึกที่ปากทางเข้าหัวหน้ากลุ่มพร้อมสมุนสองคนยืนขวางทางไว้เสียงหัวเราะอันชั่วร้ายนั้นทําให้เยี่ยยจําเขาได้ทันทีสีหน้าของเยี่ยยเปลี่ยนไปอย่างรุนแรง นางรีบดึงมือสาวใช้ทั้งสองหันหลังวิ่งหนีไปอีกทางแต่ก็วิ่งไปได้เพียงไม่กี่ก้าวทางข้างหน้าก็ถูกสมุนอีกสามคนยืนขวางไว้เช่นกันคราวนี้สาวใช้ทั้งสองตกใจจนขวันหนีดีฝอพากันไปหลบอยู่ข้างหลังเยี่ยยเอและสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวเยี่ยยเอาทำหน้าเคร่งขรวญภายใต้การขนาบข้างจากทั้งสองด้านพวกนางทำได้เพียงค่อยๆถอยร่นมาอยู่ตรงกลางอย่างระมัดระวังหรือว่าสุดท้ายแล้วนางก็ยังหนีไม่พ้นเชาชะตาที่จะต้องถูกสายรับลักพาตัวไป แม้ว่าการลักพาตัวในครั้งนี้จะเปลี่ยนไปจากเดิมแต่โศกนาฏกรรมในชาติปางก่อนจะเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกครั้งเพราะเหตุนี้หรือไม่แม้จะเป็นเย่ ย, ยาวแต่ในยามนี้ก็ในหวาดกัวขึ้นมาร่างกายสันสแตนอย่างไม่อาจควบคุมได้หลินเซินเช้าไปก้าวหนึ่งเมื่อเขาตามมาถึงก็เห็นเพียงความวุ่นวายบนถนนสายหลักส่วนพ่อค้าหาเปร่เหล่านั้นหายวับไปอย่างไร้ร่องรอยเขาตามหาอยู่รอบหนึ่งแต่ไม่พบเบาะแสใดๆขณะที่กำลังรู้สึกไม่ยินยอมอยู่นั้นเขาก็แว่วได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ คุณหนูใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าค่ะใบหูของหลิงเซินขยับไหวเขาจําได้ทันทีว่าเป็นเสียงของเจียนเจียและไปลู่ทั้งตกใจและดีใจในเวลาเดียวกันเขาจึงทยายาขึ้นไปบนหลังคาบ้านทันที